สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทรกรคนชอบเล่าคลิปนี้เราก็มาฟังอีกหนึ่งบันทึกเรื่องราวของหลวงปู่เดินหุนอิเกซาโรกันครับโดยได้รับความเอื้อเฟื้อข้อมูลมาจากคุณตรพนนาคสมบูรณ์หรือคุณเบนเจ้าของเพจขนขลังคลังวิชาครับซึ่งเป็นเพจที่มีบันทึกเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์มากมายบันทึกเรื่องบาปบุญคุณโทษพระพุทธคุณบารมีของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้เข้าไปศึกษากันครับแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องเล่าเคล้าปฏิหาร ตำนานวัตถุมงคลที่มีวางจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้น น, นําทั่วไปครับและในคนขลังครั้งวิชาคลิปหน้าผมจะข อ, อนําพาทุกท่านไปรู้จักกับหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตตารามนะครับถึงเรื่องอัศจรรย์ที่เปิดเผยเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีจากปลายประกาของคุณตรพลนากสมบูรณ์ยังไงก็รอติดตามได้นะครับแต่ตอนนี้เราไปฟังอีกหนึ่งบันทึกของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรดีกว่าครับในตอนบันทึกที่มีชื่อว่าหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร ท, ทําพิธีเรียกวิญ ญ, ญาณทหารญี่ปุ่น เรียบเรียงข้อมูลโดยคนขลังครั้งวิชาเรื่องราวของการเข้าทรงนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ยากพระเกือบทั้งหมดที่อ้างว่ามีเทพเจ้ามาเข้าประทับทรงมักเป็นการหลอกลวงเพื่อหวังได้รับสากสาระต่างๆทําให้เรื่องการเข้าประทับทรงถูกมองอย่างเหมารวมว่าเป็นเรื่องหลอกลวงไปเสียทั้งหมดผู้เขียนจกักได้พบเห็นการเข้าทรงมาแต่จําความได้ทําให้เป็นคนที่เชื่อถือเรื่องเหล่านี้ยากสมมติว่ามีผู้อ้างตัวว่าเข้าทรงได้สักร้อยคนตรวจสอบแล้วอาจจะเป็นของปลอมเลยทั้งหมด อย่มากที่สุดอาจาจะมีที่เข้าทรงจริงเราสองคนแต่ผู้ที่เข้าทรงได้2องคนนี้ก็ยังแยกไปได้อีกประเทพที่มาประทับทรงนั้นเป็นเทพจริงดังที่กล่าวอ้างหรือเป็นพีพ้ยเปรดหรือพูดผีที่มาแฝงแอบอ้างตนว่าเป็นเทพองค์นั้นองค์นี้เพื่อหวังเครื่องเส้นสูงก็มีความจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาประทับทรงเพื่อช่วยเหลือมนุษย์สร้างบารมีนั้นมีจริงแต่มีอยู่น้อยเหลือเกินที่จะเป็นจริงแท้ดังกล่าวอ้างการสังเกตดูว่าร่างประทับทรงนั้นมีเทพจริงแท้หรือไม่อันดับแรก สังเกตดูการประทับทรงนั้นมีการเรียกร้องเงินหรือไม่พระผู้เปนเทพมาโปรดจริงจะไม่รับเงินเลยหากมีการเรียกร้องค่าครูบ้าง6หรือ12สลึงและไม่มีตู้มาตั้งให้ใส่เงินตามศรัทธามีการเชิญครูมาช่วยในการทำพิ ธ, ธีด้วยบารมีของเทพนั้นยังไม่ถึงขั้นนี่เป็นหลักการพิจารณาแรกสำหรับการสังเกตดูร่างทรงมีผู้รู้หลายท่านออกมาแสดงความเห็นว่าพระอริยสงฆ์จะไม่มาผ่านร่างประทับทรงดังนี้เป็นความเห็นของผู้ที่ไม่เคยเห็นจริงก็เป็นสิทธิที่จะคิดไปได้ เรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินมนุษย์ปุตุชนจะเข้าใจเมืองไทยมีพระอริยสงฆ์หลายรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งที่พระสงฆ์เหล่านี้หล้วนมาบอกเล่าเรื่องราวของท่านผ่านร่างประทับทรงให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเป็นที่นับถือกันมาตราบปัจจุบันเช่นหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้เข้ามาประทับทรงพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้หลวงปู่หมุนวัดเขาแดงคุณเชลอลเชาดีในด่านอำเภอเบตงหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขพิตาราม มาเข้าประทับทรงพระอาจารย์สมภพวัด ส, สาลีโขพิตารามหลวง ป, ปู่มั่นวัดห้วยลาดมาเข้าประทับทรงพระอาจารย์ขาววัดห้วยหลาดภายหลังลาสิกขาเป็น น, นยายัญญาหอฤดีอมตะเถรอาจารย์ที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระอาจารย์โบราณที่มาผ่านร่างประทับทรงท่านทั้งสามที่กล่าวถึงนี้เคยมีชีวิตอยู่จริงเมื่อหลายร้อยปีก่อนท่านได้มาผ่านร่างประทับทรงเพื่อบอกเล่าและแสดงอภินิหารมากมายจนผู้คนต่างเคารพนับถือยังมีเรื่องราวของพระอุตระ พระอาริยะสงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่เข้ามาประทับทรงผ่านร่างของพ่อท่านคล้ายวัดสวนชันเรื่องนี้มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนโดยคุณพันธรักษเดชบุตรพันธรักษอดีตในตำรวจมือปราบชื่อดังที่บันทึกเรื่องราวดังกล่าวว่าพระอุตตระผู้เป็นหนึ่งในคณะสมณทูตของพระเจ้าอโศกที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิได้เคยมาเข้าประทับทรงพ่อท่านคล้ายวัดสุนชันตัวของท่านขุนพันยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนพิชาจากพระอุตระขณะมาผ่านร่างประทับทรง ภายหลังมเมื่อพระท่านคลายชราภาพลงท่านได้ครอบการเชิญพระอุตระให้สิทธิสคนคือนายประจวบอยู่บ้านโคกเือผู้เป็นหลานชายอีกคนคือนายขาวอยู่บ้านเวียงสะเป็นผู้อัญเชิญพระอุตระเข้าประทับทรงแทนเรื่องนี้มีบันทึกไว้ว่าเป็นเรื่องจริงส่วนท่านใดจะเชื่อไม่เชื่อนั้นก็ตามแต่เพราะสิ่งที่เป็นจริงนั้นมีอยู่จริงแม้จะมีน้อยก็ตามเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนอิเกะสาโรเคยมีการบันทึกไว้โดยนักเขียนชื่อดังในอดีตคือคุณทอเรียงพิบูรณ์ ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านเคยเดินทางไปพิสูจน์เรื่องราวการเข้าประทับทรงของหลวงปู่ที่ทุ่งวัดสมออําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจน บ, บุรีเมื่อราวปีพุทธศักราช2505ถึง2506เรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้ได้คัดลอกมาเพียงบางส่วนข้อมูลจากหนังสือเรื่องเงาบุญเงาบาปในวงเล็บนิทานชีวิตและจิตตานุภาพและจิตวิญญาณเขียนโดยทอลิยงยนพิบูรณ์หน้าที่12ถึงหน้าที่15ตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2517 ที่กล่าวถึงเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่ไว้ดังนี้บ่ายวันหนึง่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์แม้เรื่องจะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามข้าพเจ้ายังจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์สิ่งที่พูดมาทางโทรศัพท์นั้นบอกว่านี่เชื่อพูดคืนนี้อยากจะให้คุณไปพิสูจน์เรื่องเข้าสงของหลวงปู่ที่วัดทุ่งสมอเมืองกาญจนบุรีมีเวลาไปไหมคืนนี้ไมีอะไรพิเศษเหรอือพอจะคุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไปไหมข้าพเจ้าถามเสียงปลายสาก็ตอบมาว่า คืนนี้หลวงปู่จะรีบวิญ ญ, ญาณทหารญี่ปุ่นและทหารฝรั่งตายในสงครามโลกที่เมืองการจนบุรีมากินเลี้ยงผมไปเรีย ไ, ไปก่อนนะแล้วคุณตามไปภายหลังนะตกลงไหมข้าพเจ้าเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีอยากรู้อยากเห็นวิญญาณทหารญี่ปุ่นและฝรั่งเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับข้าพเจ้าจึงรีบบอกไปว่าตกลงผมจะรถตามคุณไปภายหลังเสียงคุณเชื้อบอกว่าคุณไม่ต้องรถไปเองคุณประพัดและคุณมนตรีจะรถมารับคุณที่บ้านขอให้คุณนําทางเพราะต้องสองคนไปไม่ถูกเพราะไม่เคยไปตกลงข้าพเจ้ารีบบอก ตกลงบายวันนั้นคุณประพัดก็ได้นํารถมารับข้าพเจ้าที่บ้านโดยมีคุณมนตรีติดตามมาด้วยคุณประพัดมีคนขับมาพร้อมข้าพเจ้าก็ไม่ให้เสียเวลาเพราะแต่งตัวรออยู่แล้วเรียบขึ้นรถเดินทางออกจากบ้านข้าพเจ้ามุ่งหน้าข้ามสะพานพุทธและตั้งจุดตรงไปเมืองกาญจนบุรีโดยไม่แวะที่ใดเวลานั้นถนนธนบุรียังไม่เรียบร้อยมีอิฐสายดินกองอยู่ข้างทางตลอดไปเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรรถจึงวิ่งไม่สะดวกนักรถได้ผ่านเข้าเขตเขมืองกาญจนบุรีก็พอดีย่ำํำขํา เราได้แวะเติมน้ำมันและแวะร้านอาหารปากทางที่จะเข้าตัวจังหวัดกินอาหารเย็นแล้วก็สนทนากันอย่างสนุกสนานพักรถพักคนพอสมควรกับเวลาแล้วก็ออกเดินทางต่อไปซึ่งกับเจ้าเคยไปที่วัดทุ่งสมอก่อนหน้านี้ไม่นานมาครั้งหนึ่งแล้วในเวลากลางวันไม่เคยเดินทางในเวลาค่ำคืนจำได้เพียงว่าเมื่อออกจากทางแยกเข้าจังหวัดแล้วประมาณ10กว่ากิโลเมตรก็จะเข้าถึงเขตวัดซึ่งอยู่ริมถนนใหญ่ที่จะผ่านไปตัวอำเภอพนมทวนถนนเวลานั้นยังเป็นลูกรังไม่เรียบร้อยรถจึงวิ่งเช้ากว่าธรรมดา การเดินทางจะเอาอย่างใจนึกไม่ได้เพราะใจมนุษย์นั้นเร็วที่สุดรู้กว่าแสงหรือกว่ายานใดๆในโลกเราได้สนทนากันมาในรถอย่างสนุกสนานตลอดทางจนลืมมองดูว่าจะถึงทางเข้าวัดหรือยังทางก็มืดไม่เห็นสองข้างทางเลยรถวิ่งเลยทางเข้าวัดทุ่งสมอไปถึงอำเภอพนมทวนข้าพเจ้าจึงรู้ว่ารถ เ, รเลยวัดทุ่งสมอมาไกลแล้วที่สุดเราก็ให้คนขับกลับรถย้อนกลับมาถึงวัดทุ่งสมอคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมทั้งทางเข้าวัดก็มืดสนิท ถนนที่รถวิ่งไปมาไม่มีรถสวนทางหรือตามหลังเป็นคืนที่วิเวกเวงเวงเงียบสงัดชอบกนเมื่อรถเราเข้าไปในเขตวัดผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมตัววัดภายในเราก็มองเห็นมีรถยนต์จอดกันเป็นทิวแถวรู้สึกว่ารถส่วนมากจะไปจากกรุงเทพส่วนรถที่มาจากเมืองกาญจนบุรีก็มีบ้างแต่ไม่กี่คันเรารู้สึกว่ารถของเราเดินทางมาถึงล่าสุดเป็นคันสุดท้ายในคืนนั้นเพราะทั้งเสียเวลาเลยไปแล้วย้อนกลับมาอีก ข้าพเจ้าชวนพวกลงจากรถเดินขึ้นไปบนกุฏิท่านสมภารรู้จักท่านเพราะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วข้าพเจ้าได้พบผู้ที่คุ้นเคยมากท่านมีทั้งนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ชั้นในพลหลายท่านและทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นพิเศษและผู้พิพากษาผู้มีชื่อเสียงข้าราชการอื่นๆอีกมากเราต่างนั่งสนทนาอยู่บนกุฏิท่านสมภาร น, นอกนั้นยังมีชาวเมืองกาญจนบุรีจำนวนไม่น้อยที่ข้าพเจ้ารู้จักหลายท่านด้วยกันที่เดินเตร่อยู่ใกล้โบสถ์และต้นไม้บริเวณนั้นมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มขาย มีไฟจุดสว่างสวยคล้ายงานออกร้านคืนนั้นรู้สึกว่าจะมีคนล้นหลามในเขตบริเวณวัดบุญกุติระมองเห็นเครื่องเส้นเป็ดย่างไก่ตอนอย่างละหลายตัวอาหารอื่นๆอีกหลายอย่างและเล่าจำนวนไม่น้อยใส่ถาดผลไม้ต่างๆจะเตรียมไว้เป็นถาดตั้งเตรียมไว้เรียงรายคิดในใจว่าเครื่องเส้นเหล่านี้คงจะไปะเลี้ยงวิญ ญ, ญาณทหารฝรั่งและทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในเมืองกาญจานบุรีขนทรงยังหนุ่มเพิ่งจะศึกจะพระที่บวช อ, อยู่ที่วัดทุ่งสมอเมาก่อนทราบว่าการบวชครั้งนั้นเพื่อแก้บน ครั้งก่อนข้าพเจ้ามาเวลากลางวันแลเคยเห็นการเข้าทรงของหลวงปู่มาแล้วครั้งนั้นคนเป็นร่างทรงจะเป็นพิกขุลเมื่อเวลาเข้าทรงก็จะนุ่งขาวห่มขาวไว้ข้างนอกทับผ้าเหลืองไว้ข้างในเวลานั้นข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าผิดวินัยทรงหรือไม่ไม่เคยคิดและไม่รู้และไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งนั้นการเข้าทรงวิญญาณหลวงปู่ในโบสถ์วัดทุ่งสมอเป็นเวลาบ่ายการเข้าทรงจะต้องปิดไฟปิดประตูหน้าต่างโบสถ์ให้หมดพราะหลวงปู่ไม่ชอบแสงสว่างก่อนเข้าทรงคนทรงจะจุดทูบเทียนคุกเข่าหันหน้าไปทางพระประธานในโบสถ์ บริกรรมเสร็จแล้วก็กราบลง3าครั้งแล้วก็มานั่งขัดสมาธิพนมมือที่จัดอัสนะไว้มีหมอนอิงหลายใบยรองรับอยู่รอบข้างป้องกันหัวกระแทกทั้งเวลาเข้าและเวลาออกจากร่างทรงร่างทรงนั่งนิ่งบริกรรมอยู่อีกครู่หนึ่งก็สั่นทั้งตัวก้นกระโดดสูงจากพื้นอัสนะที่นั่งหลายครั้งหลับตาเกรงข้อตัวสั่นครู่หนึ่งก็ฟุบหน้าลงแล้วก็ตัวอ่อนพับไปข้างหน้าครู่หนึ่งก็ ค, ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมากลายเป็นคนแก่นั่งก้มหน้าก้มหลังคอมพูดเสียงสั่นๆยานค้าง มคุณเชื้อคอยนั่งปฏิบัติอยู่ข้างๆเมื่อหลวงปู่ทรงแล้วคุณเชื้อก็หยิบซิก้าจุดส่งให้หลวงปู่สูบแสดงว่าหลวงปู่ชอบซิก้ามากข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมหลวงปู่ชอบสูบซิก้ามากมุนแล้วมุนอีกต่อกันไม่หยุดปากตั้งแต่เข้าส่งคิดว่าหลวงปู่จะติดยาซิก้ามาตั้งแต่อดีตชาติแต่ก็ไม่ใช่เพราะหลวงปู่บอกว่าได้นั่งมรณภาพในถ้ามาตั้งร้อยกว่าปีแล้วข้าพเจ้าคิดว่าสมัยนั้นคงไม่มีซิก้าสูบแน่ ซิก้าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่สูบได้ไม่ผิดกฎหมายเหมือนบุหรี่ต่างๆที่มีขายในท้องตลาดแถมยังโฆษณาชักชวนให้คนสูบเพื่อการค้าแต่โทษของบุหรี่ไม่มีใครพูดถึงข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าชีบาณาสงไม่คนสูบไม่รู้ว่าครั้งแรกใครรู้ว่าหลวงปู่ชอบซิก้าและเป็นพู่นนำไปถวายนะซิก้าอย่างดีมาจากต่างประเทศราคาแพงหิบหนึงเป็นร้อยรบาทแต่ข้าพเจ้าก็ไม่พูดเพียงนึกในใจคนเดียวแต่แล้วก็คิดกลับว่า อันเซก้าถ้าคนไม่เคยสูบลองได้สูบมวนต่อมวนติดต่อกันไม่ขาดปากก็มีหวังมึนเมาคงทนไม่ไหวที่ต้องสูบอยู่หลายชั่วโมงตามปกติคนทรงไม่สูบบุหรี่เมื่อเข้าทรงจึงเป็นเรื่องแปลกและมหัศจรรย์คงแสดงให้เห็นอภินิหารของหลวงปู่ก็ได้ครั้งใรที่ข้าพเจ้าเขียนเห็นการเข้าทรงในบวตรของหลวงปู่ยังไม่ละเอียดขอเติมว่าจำได้ว่าหลังจากพระฉันเพลนแล้วพวกศิษย์ก็ขนเสือขนหมอนและกระโถนเข้าไปจัดทำที่สำหรับหลวงปู่ประทับทรงตเตรียมไว้ให้เรียบร้อย รู้สึกว่าคุณเชื้อสนใจมากเอาใจใส่ในการประทับทรงของหลวงปู่ตลอดจนหาเครื่องใช้เพื่อบริการเรื่องนี้ตลอดเวลาข้าพเจ้าขอย้อนต่อทูลข้อความเพิ่มเติมตอนหลวงปู่เข้าทรงครั้งแรกที่ได้เห็นมาพอร่างทรงเงยหน้าขึ้นเหมือนคนแก่หลังคอมผู้สิงสั้นๆในสภาพคนแก่คนอยู่ใกล้เคียงก็หยิบกระโถนให้บ้นน้ำลายที่ไหลเ ย, ยืดออกจากปากรินน้ำใส่แก้วให้ท่านบ้นปากคุณเชื้อก็รีบเปิดหีบซิก้ามาจุดและวส่งให้สูบ พ, พอร่างทรงหลวงปู่สูบซิก้าพ่นควันครู่หนึ่งก็รู้สึกอารมณ์ดี เงยหน้าขึ้นมองดูผู้ที่อยู่ใกล้ๆแล้วค่อยๆหันซ้ายหันขวาพูดอะไรถามอะไรครู่หนึ่งแล้วก็เอียงคอไปมาแม้ในโบสถ์จะปิดประตูหมดก็ยังมีแสงเทียนจากหน้าพระประธานพอจะมองเห็นได้ข้าพเจ้านั่งห่างออกมาหลายช่วงคนขอยพิจารณาท่าทางการเข้าประทับทรงของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาแต่แล้วก็เห็นว่าหลวงปู่ใส่ตา ม, มองดูซ้ายขวาแล้วก็กวักมือมาทางเรานั่งข้าพเจ้าหันไปมองดูคนข้างหลังและคนข้างๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่จะกวักมือเรียกใครก็คิดในใจว่าคงไม่ใช่เราแน่เพราะเราเป็นคนใหม่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกหลวงปู่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนคนอื่นส่วนมากหลวงปู่รู้จักมาก่อนแล้วเพราะเคยมาหาประจําทุกครั้งฉะนั้นข้าพเจ้าจึงนั่งดูเฉยอยู่ไม่เห็นว่าไม่มีใครสนใจหลวงปู่ก็ให้คุณเชื๋อก้มลงกระซิบที่หูซึ่งคุณเชื๋อนั่งใกล้คอยปฏิบัติหลวงปู่อยู่แล้วคุณเชื๋อก็ชะเง้อมองไปยังข้าพเจ้าพลางกวักมือเรียกบอกว่าหลวงปู่อยากพบข้าพเจ้าหันไปมองดูเพื่อให้แน่ใจ ชี้ตัวเองเป็นคําถามก็ได้รับคําตอบจากคุณเชื้อโดยการพยักหน้าและกวากมือข้าพเจ้าค่อยๆคลานผู้ที่นั่งหลอมวงก็หลีกทางให้เขาไปอยู่ตรงหน้าหลวงปู่กราบท่านแล้วก็นั่งนิ่งเดิมไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรและไม่มีปัญหาอะไรจะถามไม่รู้จะพูดอะไรสิ่งหลวงปูหห่หัวเราะหึ่หึและพูดเออเจ้านี่ได้สร้างกรรมดีไว้มามันมาหาปู่และปู่จะให้ของดีพิเศษกับเจ้ารอไปก่อนแล้วท่านก็ให้ข้าพเจ้าก้มหัวลงแล้วก็เป่าลงในกลางกระหม่อม เสร็จแล้วท่านก็ให้โอวาทหลุดเป็นหลักธรรมที่ควรแก่การปฏิบัติข้าพเจ้าก็ได้แต่ฟังจําไม่ได้จึงไม่ได้เขียนหลังจากข้าพเจ้าคลานออกมานั่งนอกวงล้อมแล้วปล่อยให้ผู้อื่นที่คอยรอจะเข้าอยู่แล้วคลานเข้าไปกราบอยากทราบปัญหาชีวิตอนาคตขอให้ท่านแนะทางเมื่อท่านแนะให้แล้วก็ขอของดีไว้ป้องกันตัวข้าพเจ้าก็ได้คอยพยายามสังเกตดูเห็นหลวงปู่เป่าหัวพรมน้ำมนต์แล้วผู้นั้นก็ทวงของดีจากท่านเพราะเห็นท่านทําท่าลืม ท่านทำปากท่องอาคมเสียงพุมพำมแล้วก็เอามือขวาอากาศตรงหน้าแล้วก็ยื่นพระเครื่องมาให้ท่านผู้นั้นหนึ่งองค์ภายหลังมีหลายท่านเข้าไปขอของดีบ้างท่านก็ขวาอากาศและหยิบพระมามอบให้ผู้ต้องการข้าพเจ้าเห็นก็รู้สึกเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์พระผู้ที่ได้พระนั้นหล้นแต่เป็นพระต่างแบบกันองค์เล็กบ้างโตบ้างไม่เท่ากันนักเลงพระที่อยู่ที่นั้นด้วยบอกว่าเป็นพระเก่าแท้และหายากครั้งหลังท่านให้ข้าพเจ้าเข้าไปหาแล้วเอามือขวาอากาศตรงหน้าท่านแล้วก็ได้พระติดมือมาหน มรดกเล่งพระอยู่ในนั้นขอดูแล้วก็บอกว่านี่เป็นพระทุ่งเศรษฐีเก่าแท้ข้าพเจ้าได้นําพระองค์นั้นมาเก็บไว้ที่ห้องพระบูชาไม่ได้แขวนคอยอย่างผู้อื่นและต่อมาพระองค์นั้นก็หายไปจากห้องพระอย่างลึกลับทําให้ข้าพเจ้านึกเล่นขำๆว่าหลวงปู่เห็นว่าข้าพเจ้าไม่เค่อยสนใจคงคว้าอากาศไม่หยิบเอาคืนไปให้ผู้อื่นแล้วก็ได้แต่วันนั้นจําได้ว่านอกจากพระแล้วท่านยังได้แจกตะกรุดทองคําซึ่งทราบว่าตะกรุดทองคํานี้คุณเชื้อนําแผ่นทองคําแผ่บางหมวนเป็นตะกรุดไปถวายให้ท่านปลุกเสก เมื่อท่านปลูกเสกแล้วผู้ที่สนิทที่ชอบกับคุณเชื้อได้กันหมดทุกคนสําหรับผู้ที่มีสายสร้อยคอมีพระแขวนเป็นพวงใหญ่และเล็กอยู่แล้วต่างก็ถอดสายสร้อยออกจากคอมอบให้หลวง ป, ปู่ขอให้ท่านร้อยตะกรุดให้ท่านก็รับมารวมๆกันมีผู้เอาไฟฉายส่องดูสายสร้อยเห็นมีสายสร้อยมากเส้นเล็กบ้างโตบ้างแล้วท่านก็เอาสร้อยเท่าจานวนตะกรุดมารุมกันกอบกับไว้ในสองมือครู่เดียวก็ยกขึ้นเป่าพรวดเป็นที่น่าสะใจรรเหมือนเล่นกล ปรากฏว่าตะกรดทุกดอกได้ร้อยเข้าไปอยู่ในสายสร้อยทองคําโดยไม่ต้องปลดขอสับอย่างเรียบร้อยหมดทุกเส้นและมอบคืนให้เจ้าของทุกคนทําให้พิศวงงงวยไปตามกันส่วนข้าพเจ้านั้นไม่มีสายสร้อยห้อยพระจึงได้แต่ห่อกระดาษใส่กระเป๋าเสื้อเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่แปลกที่ได้เห็นอภินิหารของหลวงปู่ที่วัดทุ่งสมอในเวลานั้นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าไปเห็นมาด้วยตาตนเองเข้าพเจ้าขอย้อนกลับมากล่าวเรื่องในคืนสาคัญนั้นต่อไปเมื่อเข้าเขตวัดภายในจึงเห็นคนเห็นรถจอดเป็นแถวและผู้คนมากมาย ในโบสถ์เขาไม่พอบรรจุคนทั้งหมดพวกทางวัดจึงต้องแบ่งไปเฝ้าหลวงปู่กันเป็นรอบรอบรอบแรกหัวค่าเป็นพวกชาวบ้านเมืองกาญจนบุรีเมื่อเข้าไปเต็มโบสถ์แล้วก็ปิดประตูโบสถ์เมื่อรอบแรกออกมาแล้วก็รอบสองรอบสส่วนพวกชาวกรุงเทพเข้ารอบดึกสุดท้ายกว่าจะได้เข้าเวลาผ่านตีหนึ่งไปแล้วแต่เราเป็นชาวกรุงอยากรู้อยากเห็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งหาดูไม่ได้จึงมีความอดทนรอคอยเวลาอย่างตื่นเต้นคืนนั้นรอบดึกเมื่อเราเข้าไปนั่งในโบสถ์เรียบร้อย ข้าพเจ้านั่งห่างคุณประพัทรและคุณมนตรีระหว่างหลวงปู่พอจะได้ยินเสียงคุณประภัทรกระซิบหัวราะกับคุณมนตรีและได้ยินทั้งหลวงปู่พูดในการปฏิบัติกับผู้ที่เข้าไปกราบถามปัญหาจากท่านข้าพเจ้าได้ยินเสียงคุณมนตรีกับคุณประภัทรหัวเราะกันคลิกทักมือแต่ซุบซิบกันเพลินข้าพเจ้าได้ยินเสียงหลวงปู่พูดเสี่งสันส่นๆพอได้ยินชัดเจนว่าสองคนนั้นเขามีเชื่อประเดี๋ยวหลวงปู่จะแสดงเห็นข้าพเจ้าได้ยินก็หันไปดูคุณมนตรีกับคุณประภัทรยังมือหัวร้องคลิกๆค พระเจ้ารู้ดีว่าทั้งสองไม่เชื่ออะไรง่ายๆหากไม่มีเหตุผลแต่แล้วไม่นานก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์คือเมื่อทั้งสองพูดไปหัวเราะไปแบบกระซิบกระซาบแต่แล้วคุณมนตรีก็ทำหน้าตื่นตกใจเมื่ อ, อมือคลำกระเป๋าหลังแล้วร้องออกมากระเป๋าผมหายไปแล้วการหัวเราะซุบซิบก็ต้งองหยุดชะงักลงคุณประพัทรก็พรอยตกใจหน้าตื่นไปด้วยเราเหลียวมองดูผู้ที่นั่งใกล้ชิดทั้งสองท่านก็เห็นเป็นพวกกรุงเทพพวกเดียวกันรู้จักกันทั้งนั้นไม่มีใครแปลกปลอมมา ข้าพเจ้าก็ไม่สบายใจเมื่อรู้ว่ากระเป๋าหายก็ตื่นเต้นไปด้วยนึกไม่ออกว่าจะช่วยได้อย่างไดจึงถามว่ามีอะไรสาคัญอยู่ในกระเป๋าบ้างตกอยู่ข้างๆหรือเปล่าคุณมนตรีก็บอกว่ามีเอกสารอยู่ในนั้นด้วยไม่ไปถ้ายาตกเพราะกระเป๋าสอดนั้นไว้ในกระเป๋าหลังดึงยังไม่ค่อยจะออกคุณประพัฒนึกอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่รู้หุนหันลุกขึ้นรีบออกจาโบสถคุณมนตรีรีบเดินตามออกไปด้วยข้าพเจ้าเองก็งงคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไดจะได้กระเป๋าคืน ก็ได้ยินเสียงหลวงปู่นในร่างทรงหัวเราหึห่ยออยิ่งพอใจแล้วพูดต่อหน้าพวกเราว่า <c oughs> มันไม่หายไปไหนประเดิยวก็ได้ขึนกลับมาข้าพเจ้าฟังดูก็ยังงงนึกไม่ออกว่าจะได้คืนอย่างไดครู่หนึ่งคุณประพาทและคุณมนตรีก็เดินกลับเข้ามาในโบสถ์ท่าทางสงบปะกะติไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อตอนออกจากโบสถ์แทบจะวิ่งออกไปข้าพเจ้าถามถึงกระเป๋าว่าได้ขึ้นมาหรือยังก็ได้รับคําตอบจากคุณประภาทบอกว่าได้ขึ้นมาแล้วคุณมนตรีก็พูดขึ้นว่าได้ขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดมาก เมื่อฟังคำพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้างงว่าได้ขืนอย่างประหลาดและง่ายๆอย่างนึกไม่ถึงจึงถามถึงเหตุผลที่ได้ขึ้นมาอย่างไดข้าพเจ้าหรือจะเป็นใครองเราไม่ออกเช่นกันคุณประพั์เล่าให้ฟังว่าผมเองก็ที่เดินออกจากโบสถ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปค้นหากนออกกระเป๋าได้อย่างไรแต่ในใจมันเลกว่าควรออกไปดูนอกโบสถ์ดีกว่าไม่สงสัยคนในโบสถ์เลยพวกเราทั้งนั้นเมื่อเดินออกไปถึงในที่มืดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนถือกระเป๋าคออยู่ก่อนแล้วไม่เห็นผมเดินออกไปก็รีบยินกระเป๋าให้ผมโดยไม่พูดอะไรเลย ก็รีบรับไว้แล้วให้คุณมนตรีตรวจดูเห็นเอกสารและเงินสดอยู่ครบถ้วนทุกสิ่งอยู่ครบเรียบร้อยไม่มีใครเปิดแต่ต้องของในกระเป๋าหลายท่านได้ยินแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นกระเป๋าหายไปอย่างไม่มีเหตุผลและได้คืนมาอย่างไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกันทำให้พระเจ้าคิดถึงคำพูดของหลวงปู่ครั้งแรกครั้งหลังเหมือนแสดงอภิเนหารให้เราดูคิดแล้วก็นึกประหลาดใจคิดไม่ออกว่าหายไปอย่างไดแล้วกลับคืนมาได้อย่างไร แม้จนแบบนี้เราก็ไม่สามารถคลี่คลายเหตุการณ์คืนนั้นจนจำแจ้งได้แม้อ่อีงที่ยืนคอ ย, ยื่นกระเป๋าให้คุณประพัฒนข้าพเจ้าด้วยถามว่าเห็นหน้าชัดเจนไหมคุณประพัฒก็บอกว่าอยู่ในที่มืดเห็นไม่ชัดจนรู้สึกว่าหน้าผมผมเมื่อได้กระเป๋าแล้วก็ดีใจตื่นเต้นเลยไม่ได้สังเกตหรือดูอะไรอีกในคืนนั้นผู้ที่อยู่ในโบสจํานวนมากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วต่างก็ไม่มีใครครบคิดปัญหานี้ออกว่าทําไมกระเป๋าของคุณมนตรีซึ่งนั่งอยู่ในหมู่พวกเราหายไปได้อย่างลึกลับ อะไรทำให้คุณประภาสรรีบเดินออกจากโบสถ์และไปพบหญิงผู้หนึง่งยืนคอยยื่นกระเป๋าคืนมาให้สิ่งเหล่านี้อธิบายไม่ถูกแม้จะมีผู้ถามหลวงปู่เวลาเข้าประทับทรงท่านก็ได้แต่หัวเราะหือๆไม่ตอบไม่ได้ชี้แจงที่คลายความลี้ลับนี้ออกมาได้จุบที่ข้าพเจ้าได้นําเรื่องนี้มาเขียนขึ้นก็คงเป็นเรื่องลี้ลับต่อไปพิสุจน์ไม่ได้คืนนั้นเราอยู่ในโบสถ์จนวันใหม่ผ่านไปสองชั่วโมงภายนอกโบสถ์ความมืดมิดสนิทปกคลุมสถานที่นั้นทั่วไปผู้คนชาวบ้านและชาวเมืองกาญจนบุรีได้กลับหมดแล้ว ตลอดร้านค้าก็มีเหลือคงไม่แต่พวกเราเชาวกรุงอยู่ในโบสเท่านั้นย้ำดึกสงัดเป็นเวลาที่ชาวบ้านชาวเมืองนอนหลับพักผ่ออย่างสบายส่วนพวกเรากําลังวุ่นวายจะคอยดูสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อไปอย่างตื่นเต้นจึงจับต้นชนปลายไม่ถูกหน้าพระประธานในโบสมีเทียนจุดอยู่เล่มหนึ่งชนิดหนักบาดก็ไม่ใหญ่โตนักจะมีแสงแวบวับเพียงหนึ่งแรงเทียนพอจะมองเห็นกันอย่างมัวๆเมื่อเทียนจะหมดเล่มก็จุดกันต่อไป สิ่งหลวงปู่สั่งให้จัดแจงยกเครื่องสังเวยหรือเครื่องเส้นที่พวกเราจัดมาแต่กรุงเทพพวกศิษย์ก็ยกมาวางเป็นพวกส่วนเล่าโรง28่ดีกรนับเป็นโหลก็ช่วยกันเปิดจุกมีแก้ววางไว้ข้างๆแล้วก็จัดที่นั่งให้พวกเรานั่งเป็นหมู่และจัดการล้อมรอบเพื่อได้สายศิลไม่ให้ออกนอกสาศิลเป็นอันขาดขอให้ทุกคนถือคําสั่งนี้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้จัดการสั่งเสียการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้หลวงปู่สั่งให้ลงกลอนประตูโบสถ์ข้างในคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า รวการลงกรอนหน้าต่างประตูทุกบานในโบสถ์ให้เรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของหลวงปู่แล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปนั่งอยู่ในวงสายศีลเสร็จแล้วก็สั่งให้ดับเทียนที่หน้าพระประธานในโบสถ์เมื่อดับเทียนแล้วก็มือสนิทไม่เห็นอะไรเลยความเงียบสงดอากาศเยือกเย็นในเวลาค่นรุ่ง mm hmm. แต่แล้วเสียงมาหอนมาแต่ไกลและตู อ, อื่นก็หอนรับค่อยๆใกล้โบสถ์เข้ามาเสีงยงโหยหวนทาให้เย็นจับใจ ยังอุ่นใจที่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีพวกนั่งในที่มืดมองไม่เห็นกันยังมีจํานวนมากคนความเงียบสงัดและความมืดในเสียงโหยหวนของพวกหมาส่งเสียงหอนมันเพิ่มความเยือกเย็นยามดึกแทบสั่นข้าพเจ้าอยากจะพูดว่าในชีวิตยังไม่เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยได้ยินเสียงหลวงปู่บริกรรมพึมพำอยู่พักหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงลมพายุพัดออกนอกโบสถ์อู่อูคล้ายจะเกิดพายุใหญ่ค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็ค่อยหลงเป็นระยะเสียงอยู่นอกโบสถ์ สิงห์หลงปู่พูดขึ้นว่าปู่กาลังจะเบิกท้องให้พวกเขาเข้ามาในโบสถ์เวลานี้พวกเขากําลังขออยู่นอกโบสถ์แล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าพวกเรามีความสนใจและมีความตื่นเต้นไม่น้อยเสียงรกระซิบกระซาบกันค่อยๆพอได้ยินชัดเจนเพราะอยู่ใกล้ว่านี่เขาเอาเครื่องขยายเสียงมาตั้งไว้ที่ไหนหลอกเราหรือเปล่าเสียงรกระซิบตอบค่อยๆว่าไม่มีหลอกผมเข้ามาตรวจดูทัุก่อนแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงปู่พูดขึ้นว่าพวกเขากําลังจะเข้ามาในโบสถ์กันแล้ว ขอให้พวกเราจงระวังให้ดีอยู่ในวงสายศีลอย่าออกนอกสายศีลเป็นอันขาดจะเป็นอันตรายวิ ญ, ญญาณพวกนี้ดุร้ายกว่็มีที่สุภาพก็มีมากอย่าไว้ใจจงทําตามที่ปู่สั่งปู่จะปล่อยเหตเข้ามาละในนั้นก็ได้ยินเสียงรองเท้าทหารลากกันกรกกรักไม่นานในรอบข้างเรานอกสายศีลก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขวักขว่ไปมาทู่ไปมากมายข้าพเจ้าได้ยินเสียงก็ตื่นเต้นนึกในใจว่านี่เป็นจริงไปได้หรือ เสียงถ้วยชามแก้วเหล้ากระทบกันเสียงกึอกย่างไปทุกทิศทางแต่แล้วก็ได้ยินเสียงหลวงปู่คล้ายตะวัดเสียงดังว่าหยอได้ทราบภายหลังว่าได้มีท่านผู้หนึ่งยื่นหัวออกมานอกสายเส้นเพื่อลองดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ก็ <c oughs> เกิดความรู้สึก <c oughs> ว่าจมูกไปกระทบกับแก้วเหล้าและความรู้สึกเหมือนถูกสาดด้วยเหล้าเต็มหน้าแล้วเหมือนแก้วเหล้าลอยมาติดจมูกอีกมีหลายคนรู้สึกเช่นเดียวกันแต่สำหรับข้าพเจ้านั้นได้แต่กลิ่นเหล้าเท่านั้นเพไม่ได้ยื่นหน้าออกไปนอกสายเส้นเพื่อพิสูจน์ เรื่องของการเส้นอาหารเลี้ยงวิญญาณกับพวกทาหารที่สูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ในคืนนั้นมีบางท่านว่าได้ยินเสียงพูดกันทั้งภาษา ญ, ญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษซึ่งแสดงว่าในโบสถ์นั้นมีทั้งทาหารฝรั่งและทาหารญี่ปุ่นที่สูญเสียชีวิตที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว น, นั้นมากมายแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงพูดและหลายท่านก็ไม่ได้ยินเช่นกันเพียงแต่มีความรู้สึกว่าจะมีพู้วิญ ญ, ญาณทาหารฝรั่งและทาหารญี่ปุ่นอยู่ในโบสถ์คำนวณตามสิ่งเกิดคงจะมีมากมาย เราทุกคนอยู่ในวงสายศีลได้ยินเสียงเกือกย่ำเท้าเดินอยู่ทั่วทิศทางภายในโบสถ์เหมือจะรอคอยอยู่นอกรอบวงสายศีลเสียงเหล่านี้ทําให้เราไม่ค่อยสบายใจนักหากสายศีลขาดคงจะสนุกกันใหญ่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโบสถ์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าเหตุการณ์ก็ได้ยุดติดเมื่อเราได้ยินเสียงผู้วิญญาณทหารเหล่านั้นได้เดินตบเท้าเสียงเกือกกระทบกับพื้นออกจากโบสถ์ไปหมดแล้วความสงัดเงียบก็เกิดขึ้นในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่จึงบอกว่า ออกนอกวงสายสินเดีแล้วพวกเราได้ออกมาจุดเทียนที่หน้าพระประธานแสงเทียนพอให้เห็นอาหารมีเป็ดไก่เหล้าและพวกจานชามวางเกะกะ ก, กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไปทั่วเมื่อยกขวดเหล้าขึ้นดูก็เห็นแต่ละขวดพร่อมไปเกินครึ่งบ้างบางขวดก็เหลือติดก้นส่วนพวกไก่นั้นถูกฉีกขาฉีกอกทุกตัวเหลือแค่กระดูกน้อยบ้างมากบ้างมันเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์หาเหตุผลไม่ได้พวกเราต้องนั่งพิงอึดอัดใจมานานแล้ว ไม่มีโอกาสต่างก็ระบายความรู้สึกออกมาแต่ละท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงหมาหินขนลูกชันความหนาวเย็นจับคู่หัวใจแทบจะหยุดลงพอได้ยินพวกวิญญาณทหารเข้ามาในโบสแม้จะมืดมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วก็ยังกลัวต้องหลับตาไม่อยากมองอีกบางท่านก็ตื่นเต้นจะพูดว่ากลัวก็กลัวกล้าก็กล้าอยากรู้ก็อยากรู้หรือกลัวกลัวกล้าเพราะความอยากรู้ก็อยากรู้ความรู้สึกทั้งกลัวทั้งกล้าปนกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเล่นกลน แต่ที่ข้าพเจ้าแปลกใจเพราะยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าสิ่งพวกที่เข้ามาในโบสถ์มากมายนั้นเป็นวิญญาณที่ตายในสงครามโลกครั้งที่สองจริงหรืออาหารเล่าที่พร่องไปหายไปไหนประตูโบสถ์และหน้าต่างก็หลงกลอนหมดไม่มีใครสามารถเข้าออกได้คงมิแต่พวกเรากลุ่มหนึง่งที่อยากรู้อยากเห็นของแปลกๆซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ก็พูดไม่ออกซึ่งข้าพเจ้าก็คิดไม่ออกไม่มีเครื่องขยายเสียงซ่อนไว้ในโบสถ์คนที่อยู่ในโบสถ์คืนนั้นล้วนแต่ชั้นปัญญาชนสูงอายุที่เป็นข้าราชการก็มีตำแหน่งสูง หลังจากนั้นเราได้ยินเสียงไก่ขันรอบวัดเสียงใกล้และไกลบ้างข้าพเจ้ามองดูนาฬิกาเกือบจะตีสี่กว่าพวกเราไม่รู้สึกว่าง่วงนอนดูตาสว่างแจ่มใสแม้ได้ผ่านไปเกือบตลอดคืนเห็นจะเป็นเพราะความตื่นเต้นที่ได้ประสบการณ์ในคืนนั้นเสียงหลวงปู่บอกว่าปู่จะไปแล้วนะแล้วก็โยกตัวไปมาหงายหลังลุกนอนร่างนั้นก็แน่นิ่งไปข้าพเจ้าเห็นพวกสิทธังก็เข้าไปช่วยกันนวดและเอายาดมไปรอที่จมูก ร่างคุณทรงนอนง่ายสักครู่ร่างทรงก็รู้สึกตัวลุกขึ้นเหมือนตื่นจากหลับฝันยังงงเงียสลึมสลือครู่หนึ่งก็ปกติระเบิดไฟในโบสถ์ให้สว่างเปิดหน้าต่างประตูให้อากาศผ่านและพิจารณารอบโบสถ์และเครื่องเส้นอาหารอีกครั้งข้าพเจ้าได้นั่งสนทนากับเพื่อนเพียงเล็กน้อยก็รีบชวนคุณประพัดและคุณมนตรีลาพักพ่วง ก, กลับก่อนส่วนมากอยากกลับบ้านโดยเร็วเพราะหมดสิ่งที่น่าสนใจแล้วแต่ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่หายตื่นเต้น ต่างก็พจัญญาระบายเล่าความรู้สึกแต่ละคนให้ฟังกันอย่างไม่รู้จบพวกเราขอตัวพากันเดินทางออกจากโบสถ์มาขึ้นรถเห็นคนขับนอนหลับสนิทอย่างสบายจึงปลุกให้ลุกขึ้นแล้วรถเราก็ออกจากวัดทุ่งสมอมุ่งหน้ากลับกรุงเทพเราไม่สามารถลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโบสถ์คืนนั้นได้มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดพิสดารอย่างหาเหตุผลไม่ได้ไม่สามารถพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงยังเป็นความลึกลับตลอดมาเมื่อรถเราเข้าเขตธนบุรีผ่านบางแคไปได้ไม่นานยางหน้ารถก็แตกถนนยังไม่ดี กวจะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยรถไปส่งข้าพเจ้าถึงที่พักประมาณ8ปดโมงเช้ากว่าการที่ข้าพเจ้าหรือฟื้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโบสถ์วัดทุ่งสมอก็ม่ได้หวังให้ท่านเชื่อเรื่องวิญญาณหรือทรงเจ้าเข้าผีเพียงแต่ให้ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วและข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองซึ่งมีผู้รู้เห็นมากมายข้าพเจ้าขอขอบคุณที่คุณเชื้อแนวบุญเนียนคุณประพัดทัพรังสีและคุณมนตรีศรีเจริญที่ได้กรุณาอนุญาตให้ลงนามจริงได้ เรื่องนี้หากข้าพเจ้าไม่เขียนไว้เรื่องก็กำลังจะผ่านไปเป็นอดีตและนานเข้าก็ลืมกันหมดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในชุดเรื่องจิตตานุภาพและวิญญาณสมบูรณ์ขึ้นและเป็นอนุสอ์ต่อไปจบบทความที่เขียนโดยคุณทอเรียมพิบูรณ์ได้บันทึกเรื่องราวที่ท่านเคยไปพิสูจน์กันเข้ารงฆงหลวง ป, ปู่เดินหนอิเกสาโรณวัดทุ่งสมอจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อราวปีพุทธศักราช 2505-2506 ในสมัยนั้นคุณทอเรียมพิบูร์ นับเป็นนักเขียนชื่อดังมีคนรู้จักท่านมากความจริงเรื่องราวอัศจรรย์ต่างๆของหลวงปู่ที่คุณทอพบเห็นม่ได้จบเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าผู้เขียนคนขลังครั้งวิชาได้สืบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณกันนิกาเลี้ยงพิบูรณ์บุตรสาวของคุณทอจึงทราบว่าภายหลังคุณทอได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทั้งพาบุตรสาวและบุตรชายทุกคนมากราบหลวงปู่สำหรับเรื่องราวอภิเนหารของหลวงปู่ผู้เขียนได้นําไปรวบรวมไว้แล้วในหนังสือหลวงปู่เดินหนุิเกสาโรผู้เปิดโลกหลังความตาย ท่านสามารถติดตามอ่านได้ในหนังสือดังกล่าวครับผมแล้วคลิปนี้จากคนขลังคลังวิชาก็จบลงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับคืนนี้เป็นคืนบรรพระก็อย่าลืมสํารวจจิตสํารวจใจฝึกรู้ฝึกตามความคิดดูการกระทําของตนให้มีสติตั้งมัน่นเพื่อชีวิตจะได้ไม่หลงหรือว่าพลาดอะไรไปแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังนั่งตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิต เป็นที่รักของคณที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ